ทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญได้ส่งปฏิบัติมาและได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเรียกว่ามัชิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางเป็นทางที่จะนำพาไปสู่การดับทุกข์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 เสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะเพื่อเอาความสุขที่ได้จากการเสบนี้มาดับความทุกข์ได้ต่อไปความทุกข์ไม่ได้ดับไปอย่างถาวรด้วยการเสบความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพระองค์จึงทรงต้องสละราชสมบัติและทรงออกบวชเพื่อหาทางที่จะ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 ทางที่พระองค์ทรงได้ค้นพบที่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างเท้าบอลอย่างแท้จริงก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี้เองมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางประกอบด้วยมรรคที่มีองค์แปดเป็นทางเดินนี้เองมัชฌิมาปฏิปทาก็คือมรรคที่มีองค์แปดหรือ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 มัชฌิมาปฏิปทานี้องคือทรงบาเพ็ญมรรคที่มีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกรปรกความตําริี่ชอบสัมมากรมมันโตาการกระทําชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชีโวอาชีพชอบสัมมาวายาโมความเพี่ยนชอบ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 ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเช่นเกิดความเหงาความเศร้าส้อยความว้าเหวเ่าเปียวเดียวดายจำเป็นจะต้องออกไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคล น, นี้มาให้ความสุขอยู่เรื่อย เ, อยเวลาไม่ได้ก็กดความทุกข์ทรมานใจ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 ถึงจะเรียกว่าสุดโตเช่นออกไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพวทอพะสุดโต อ, ออกไปจากการาทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆอย่างที่เราคงเคยเห็นเคยได้ยินกันพวกที่บรรพวกฤาษีชีพัยในประเทศอินเดียนี้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 ต้องเป็นเครื่องมือที่มีอยู่ภายในใจเช่นเดียวกันก็คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาหรือมรกที่มีองค์แปดนี้นั่นเองพระองค์จึงทรงบำเพ็ญทานก็ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วได้สละราชสมบัติมาแล้วศีลก็ได้รักษาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้บำเพ็ญขั้นภาวนาขั้นวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็ได้บำเพ็ญมาแล้วได้สมาธิได้ฌานแล้วแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนาพระองค์จึงหันกลับมาเจริญสมถภาวนาทำใจให้สงบ พอใจสงบแล้วก็สรงพิจารณาหาดูความทุกข์ดูต้นเหตุของความทุกข์ดูวิธีดับทุกข์ดูการดับทุกข์ของจิตก็ส่งคนพบพระอริยรรสัจสีที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเทวดาอินพรหม ไม่ว่าจะเป็นเปรตเป็นเป็นผีเป็นสัตว์นรกไม่ว่าจะเป็นเดระาชานเป็นมนุษย์ล้วนมีอริยสัจสี่อยู่ภายในใจด้วยกันทุกดวงแต่สัตว์โลกไม่เห็นอริยาาสัจสี่นี้เท่านั้นเองไม่เห็นว่าความทุกข์นี้อยู่ภายในใจไม่เห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจาก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 เวลาต้องพัดผ้าต้องอยู่ห่างไกลจากกันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือความทุกข์ของผู้ที่เสพกามมตัญหาคนผู้ที่มีความอยากเสพการิอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลภภิตภัพฑะเสพ ร, รูปของสามีของภรรยาของบุตรของทิดา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 ว้าเหล่าเปลี่ยวเดียวได้นี่คือโทษของการมีความอยากที่จะเสพการเสพลูกเสียงกลิ่นรสโผฏภะผู้ที่สามารถบําเพ็ญละการเสพการได้ทาใจให้สงบเป็นสมาธิได้ก็จะไม่มีความทุกข์กับเรื่องของการเสพการผู้ที่ สามารถทำใจให้สงบก็จะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายไม่รู้สึกปเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไม่รู้สึกเศร้าส้อยหงอยหเหงาไม่รู้สึกว่าวีวแต่อย่างใดเพราะกา r มะตัณหาที่เป็นตัวผลิตอารมณ์เหล่านี้นั้นมันถูกทำลายไปถูกกดเอาไว้เวลาจิตเข้าไปในสมาธิ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 อันนี้ก็เป็นติเล่อย่างเรียกว่าเป็นตันหาความอยากมีอยากเป็นเวลาไม่ได้เป็นก็รู้สึกเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจน้อยเนื้อต่าใจคนที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตพอไม่ได้เป็นแล้วก็รู้สึกทุกข์ใจทรมานใจไปดู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 เห็นคนแบบนั้นก็ไม่อยากจะเป็นเห็นคนพิโกงพิการก็ไม่อยากจะเป็นเห็นคนหูหนวกเห็นคนตาบอดแขนขาดขาขาดเห็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยเรื่อรังต่างๆเห็นคนแก่เห็นคนตายก็จะไม่อยากจะเป็นนี่เรียกว่าวิภาวะตัญหา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 ท่านก็ไม่ได้อยู่แบบเป็นใหญ่เป็นโตท่านก็อยู่แบบยาจกขอทานดูสภาพอยู่ของท่านท่านอยู่ตามโคนม้อยู่ตามเงื้อผาอยู่ตามเรือนว่างอาหารท่านก็รับประทานแค่วันละมื้อนักอาหารก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกรับประทานอาหารอย่างนั้นอาหารอย่างนี้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 เอามาแยกเอามาติดอามาต่อให้เป็นถืนใหญ่เพื่อจะนุ่งห่มปกปิดร่างกายป้องกันร่างกายจากมาแมลงสัตว์กับต่อยป้องกันร่างกายจากอากาศที่หนาวเย็นท่านก็อยู่ได้ท่านไม่เหลือเล่นเพราะท่านไม่มีวิภวตัญหาไม่มีความอยากไม่เป็น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 ก็ต้องมีประคตเอวน่อันนี้เป็นชิ้นที่ทททสี่ชิ้นที่ห้ า, าชิ้นที่หนึ่งก็คือบาสสามชิ้นที่สองสามสี่ก็คือผ้าไตจีวรชิ้นที่ห้าก็คือประคตเอวชิ้นที่หก็คือเข็มกับได้เอาไว้สําหรับเวลาผ้าขาดจะได้ปากเย็บได้ชิ้นที่เจ็ดก็คือ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 คือผมนี่ไม่ควรจะยา ว, กวาเกินกว่าสองเดือนโดยธรรมเนียมของสองฆ์ไทยก็จะโกนกัน ท, กทุกหนึ่งเดือนบางสำนักเช่นสำนักของหลวงปู่ชานี่ท่านจะโกนทุกสิบห้าวันและบริการชิ้นที่แปดก็คือที่กรองน้ำพระสมัยก่อนท่านอยู่ในป่าท่านตักน้ำจากลำธารจากค้ว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 แวลามีความทุกข์ใจก็ไปเสพกามกันไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายกันก็ทําให้รู้สึกว่าความทุกข์ใจหายไปชั่วคราวแต่เด <si ี๋ยวก็เกิดความอยากจะเสพกามขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนไม่เคยต้องเสพกามเดี๋ยวนี้ต้องเสพแล้วเมื่อก่อนไม่เคยดื่มสุราเดี๋ยวนี้ต้องดื่มแล้วเมื่อก่อนไม่เคยเสพยาเสพติดเดี๋ยวนี้ต้องเสพแล้ว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 เสื้อผ้าอาพรด้วยเครื่องสำอางต่างๆด้วยน้ำมันน้ำหอมต่างๆแล้วก็ละเว้นจากการหลับนอนมากจนเกินไปบางคนทุกข์มากๆก็นอนเป็นนานๆไม่อยากจะลุกไม่อยากจะลุกขึ้นมาเจอความทุกข์เพราะว่าเวลาหลับแล้วมันก็เลมความทุกข์ไปชั่วคราวพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังไม่อยากจะลุกก็นอนต่อไป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 ว่าสามีก็เป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันนี้เป็นสามีพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นสามาาก็ได้ <c oughs> เปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงได้อนาตตาไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะเป็นสามาก็ต้องปล่อยเขาไปเนี่คนที่ผิดคนที่ผิดศีลข้อสามก็เป็นเหมือนกับพวกเดรลฉานนี่เองจากสามีก็เปลี่ยนเป็นสามาไป ช่วงนี้หมามันวิ่งกันว่อนไปหมดทั้งคืนเอาากันทั้งคืนเลยที่วัดตอนนี้มันตกสัตกันมันมีการมาตัญหากันอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาถ้าอยากจะแก้ปัญหาให้ถาวรต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราทุกข์ด้วยนะี่เขาเป็นอนิจจังเขาไม่แน่นอนเขาไม่ถาวร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 กลายเป็นยาพิษขึ้นม า, าถึงกับฆ่ากันตา ย, เ, ยเคยได้ยินข่าวไหมคนรักกันแทบเกืนกินในที่สุดก็ต้องมาฆ่ากันตายแล้วก็ตายตามกันไปฆ่าสามีฆ่าภรรยาแล้วก็กลับมาฆ่าตัวเอง้ดีไม่ดีก็ฆ่าลูกฆ่าหลานไปด้วยที่ไม่รู้อ e ีโ no น่เอเน่ N A, ก็ต้องถูกฆ่าตายตามไปด้วยเพราะฤทธิ์ของความหลง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 ก็พอผ่อนคลายความทุกข์ให้เบาบางลงไปได้ถึงแม้ว่าจะไม่หมดก็ทำให้ไม่ต้องถึงกับไปฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตนเองนี่ละคือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางที่นำไปสู่การดับทุกข์อย่างแท้จริงทางนี้ไม่มีคำว่าสุดโตรมีแต่ว่ามากหรือน้อยหนักหรือเบา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 อดข้าวแบบที่ไม่มีเหตุมีผลคือการอดข้าวนี้ถ้าอดเพื่อเป็นการส่งเสริมการเจริญมัชชิมาปฏิปทานี้ mm. ก็ถือว่าไม่สุดต่อเพราะว่าบางทีถ้าเรารับประทานอาหารมากเกินไป mm. ก็จะทําให้เราเกิดความเกลียดคร้าน mm. เกิดนิวรคือความง่วงเหงาหานอนขึ้นมาได้ mm. ก็ต้องรับประทานให้น้อยหรืออด บ้างเพื่อที่จะได้กระตุ้นความเพียรถ้าอดแบบนี้ไม่เรียกว่าสุดโตแต่ถ้าอดเฉยๆแล้วไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญมัชฌิมาปฏิปทาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสุดโตเพราะอดไปแล้วไม่ได้ทําให้สร้างเครื่องมือที่จะมาใช้ในการดับทุกข์นั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราพยายามศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากผู้รู้จริงเห็นจริง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 นี่คือเรื่องของทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาทางที่จะนำไปสู่การดับทุกอย่างถาวรขอให้ท่านจงนำเอาไปเพนิพิจานาและปฏิบัติเพื่อความดับทุกที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาให้พร ยาถาวาเรวะหาปุราปริกุเรนติสักรังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนาระโสยาถาเมณิโชติ ราสยาธาสติตโยวิวัจจันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีพายุโกภะอภิวาทนศีลิสะนิจจังวุธาปจายินโนจัตาโรโธรมมวัทานติอายุวนโนสุขัง าาถ้าใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญขึ้นมาถามวันนี้ได้เพราะว่าจะมีไมโครโฟนให้พูดเพราะว่าถ้าไม่พูดผ่านไมโครโฟนคนจะไม่ได้ยินเสียงคำถาม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 กับปัญญาที่เกิดจากการนั่งสมาธิเนี่ยมันแตกต่างกันไหมคะคือปัญญานี้อย่างที่พูดมันมีอยู่สามระดับด้วยกันปัญญาระดับแรกเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างที่วันนี้ญาติโยมมาฟังกันนี้ก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งวันนี้ก็ได้รู้แจักว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นอย่างไรแล้วพอเรารู้แล้วเราก็เอาปัญญานี้มาคิดค่ายขวนมาพิจารณา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 ดับความทุกข์ได้แล้วเราจะเห็นความแตกต่างเราจะรู้เลยว่ามันเป็นภาวนาเมย์ปัญญาเพราะเมื่อกี้นี้เราทุกข์กับเขาพอเราเห็นว่าเขาเป็นตายลักแล้วเราก็ปล่อยวางปลงไปช่างหัวมันมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันนะเพราะมันเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้เราก็จะหายทุกข์ขึ้นมานี่ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญา ที่แท้จริงเป็นปัญญาที่ละความอยากดับความทุกข์ได้เหมือนกับยาต้องรอให้เจ็บไข้ได้ป่วยก่อนพอปวดหัวแล้วกินยาแก้ปวดปักหายปวดก็จะรู้ว่าออยานี้เป็นยาที่แก้โรคนี้ได้จริงๆดังนั้นเราก่อนที่เราจะไปถึงภาวนามายปัญญาได้เราก็ต้องอาศัยสุดตะเมย์ปัญญาต้องรู้ว่าปัญญาเป็นอย่างไรก่อนมารูแล้วเราก็เอามา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 ถ้ามีสมาธิแบบนี้แล้วเวลาคิดทางปัญญาเห็นว่าเป็นตายรักเห็นว่าเป็นยาพิษก็จะก็จะหยุดได้จะไม่อยาดกับสิ่งนั้นได้เวลานั่งภาวนา น, นะคะแล้ว เ, เวลาจิตมันฟุ้งอะฮะมันคิดไปเรื่อยๆสมมุติเราภาวนาแล้วก็ดับความคิดไม่ได้ฮะแต่เราก็ปล่อยให้คิดไปเรื่อยๆตามความคิดแต่เรารู้ความคิดของเราเนี่ย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 มันสงบรวมเป็นหนึ่งหยุดความคิดปรุงแต่งได้ถึงจะเป็นสมาธิได้ <c oughs> มีใครอยากจะถามว่าหม อ, เ, อ <c oughs> เจ้าปัญหามามาทีไรไม่เคยไม่มีปัญหา <c oughs> แล้วก็ปัญหาเดิมๆอย่างนั่นนะ่ะ <c oughs> เรื่องอาหารกับเรื่องขี้นี่นะ <c oughs> อาว่ามา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 เพราะเราทำด้วยความอยากอยากได้ผลมันก็เลยไม่เข้าไปในใจตัวความอยากนี่มันจะกันไวการทำทานนี้ต้องไม่ได้ทำด้วยความอยากทำด้วยความเมตตาสงสาร拜拜เห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอย่างที่มีวีดีโอมีชายคนหนึ่งที่เขาทำทานแบบที่ไม่ได้อยากได้อะไรเดินไปเห็น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 มันจึงไม่รู้สึกว่าเป็นเทวดาแต่อย่างใดเข้าใจไหมดงั้นต้องทําด้วยความเมตตากรุณาสงสารอย่างที่ไปช่วยเด็กพิการอย่างนี้เห็นเขาขาดแค่อะไรก็ไปช่วยให้เขาได้อยู่ดีกินดีขึ้นชีวิตเขาดีขึ้นเราก็เกิดความสุขใจความสุขใจนี่แหละเป็นสวรรค์การทําใจให้สุขใจเป็นสวรรค์นี่คือการทํา ทำใจให้เป็นเทวดาขึ้นมาคุณต่อพระอาจารย์ครับแล้วผู้ทําทานโดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทนใดๆครับพระอาจารย์จะรับมือกับคำสรรเสริญเยินยออย่างไรครับพระอาจารย์ถ้าไม่หวังก็ต้องเฉยถท่านั้นเน้ก็อุเบกขา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 คนดีกับคนไม่ดีก็จะเป็นอย่างนั้นชะอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่สามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้เช่นไปโรงเรียนด้วยกันทาเข้าห้องเรียนเดียวกันทํางานเกี่ยวกับการเรียนด้วยกันก็ทําได้หรือไปทํางานที่สานักงานที่ทางานก็มีทั้งคนคนดีและคนไม่ดี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 ที่แน่นหนาสติปัญญาสมาธิถ้ามีคุณธรรมทั้งห้าข้อนี้อย่างอื่นมันจะไม่เป็นอุปสรรคเงินมากเงินน้อยไม่เป็นอุปสรรคจะมีครูบาอาจารย์เมื่อม่มีมครูบาอาจารย์ไม่เป็นปัญหา อ, อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ฉนั้นขอให้เราดูตัวนี้เป็นหลักถ้าจะเตรียมตัวเราเตรียมส ร, ร้างศรัทธาให้มีความแน่วหน้า ให้มีความขยันหมั่นเพียรที่แก่ก็ไม่เกียดคร้านให้มีสติตั้งมั่นทาใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วให้พิจารณาตายรักอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาแล้วรับรองได้ว่าปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆนี้จะไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นปัญหาเพราะใจสามารถที่จะรับกับอุปสรรครับกับ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 มาวัดก็เลยใช้เงินเพื่อเป็นการทำบุญเพื่อเป็นเพื่อเป็นการตัดความอยากถ้าเราไม่มีเงินที่จะทำทานเราก็ไม่ต้องทาเราก็ไปอยู่วัดที่เข า, เาส่งเสริมให้ภาวนาสิ่งที่เราต้องมีก็คือความเพียรความขยันอาจจะต้องช่วยงานวัดบ้างช่วยกันทำกับข้าวกับปลาบ้างช่วยกันล้างถ้วยล้างชาม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 เราไม่มี อ, อำนาจวาสนาที่จะให้คุณให้โทษกับใครเวลาใครจะมาอยู่วัดนี้เขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทางคารวะเขาก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายคารวะทางพระเขาก็มีพระมาดูแลเราก็จะดูแลส่วนที่บนเขานี้เท่านั้นส่วนที่บนเขานี้ก็จะเป็นที่พักปฏิบัติของพระเป็นหัก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 มาก็จะมีกิจกรรมให้ทำเช้าเย็นคือลงโบสถ์วายพระสวดมนนั่งสมาธิก็มีเท่านี้แลนั้นถ้าใครจะมาถามเรื่องการที่จะมาคิดว่าเราเป็นเจ้าอาวาสหรือเป็นอะไรนี่เราไม่ได้เป็นเราอยู่แบบาหางเครื่องอยู่แบบสบายสบายไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบ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 ถ้าความเย็นหายไปอุปเบกขาหายไปเราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่หรือถ้าเราอยากจะรักษาความเย็นให้เย็นอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาใจรักแล้วตัดความอยากต่างๆได้เพราะสิ่งที่จะทำให้อุเบกขาหายไปก็คือความอยากนี่เองความอยากก็เป็นเหมือนความร้อนที่อยู่ข้างนอกตู้เย็นพอเราเอา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 รอบนอกตัวเย็นนี้มันเย็นเท่ากับตัวเย็นได้เราก็รักษาความเย็นของน้ําได้ใจเราเราทําได้ออกจากสมาธิมันเย็นถ้าอยากจะให้มันเย็นต่อไปก็ต้องอย่าให้เกิดตัณหาขึ้นมาอย่าให้เกิดความอยากขึ้นมาวิธีอย่าให้เกิดตัณหาความอยากก็ต้องเห็นใจรักเห็นเครื่องหมายกระโหลกศีรษะกับกระดูกคขว้อยู่เห็นว่าทุกอย่างเป็นยาพิษนะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นขนมหวานไม่ใช่เป็น ไม่ใช่เป็นเครื่องหมายสตาร์บัคใช่ได้เห็นกระโหลกศีรษะกลัยกระดูกคําถามข้อต่อไปจากคุณจันทร์สุพานะครับ <c oughs> วัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติได้อย่างไรบ้างก็กิเลสน้อยลงแล้วมากขึ้นความอยากมากขึ้นแล้วน้อยลงนี่ก็คือเครื่องวัดอีกเครื่องวัดหนึ่งก็คือ <c oughs> สุขใจมากขึ้นเลย สุขใจน้อยลงทุกข์ใจมากขึ้นหรือทุกข์ใจน้อยลงก็อยู่ตรงเนี้ยว่าสุขทุกข์ก็เป็นผลที่เกิดจากกิเลสตัณหามากขึ้นหรือน้อยตงนี้ข้อต่อไปนะครับไหว้พระเพื่อหวังผลให้กิจการก้าวหน้าถือเป็นศีลพระตะปามา마หรือไม่คือการไหว้พระนี้ไหว้เพื่อให้เราเจริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ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 เพราะว่าเป็นภาวะตัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องกาจับเพราะมันเป็นเชื้อโรคที่จะทำให้ใจเราทุกข์นั่นเองนั้นกราบพระอยา่ากราบเพื่อล่าเพื่อรวยกราบเพื่อให้พ้นทุกข์กัาบเพื่อให้ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกราบเพื่อให้ตันหาความอยากต่างๆหมดไปจากใจนี่คือวิธีกราบพระที่ถูกต้องคำถามข้อต่อไปจากคุณโอภาส น, นะครับ อุบายที่ไปให้พ้นซึ่งอุปาทานขันทั้งห้าคืออะไรบ้างที่เทศมาทั้งหมดนี่ก็เป็นอุบายเพื่อให้เราหลุดพ้นอย่างนั้นก็ัขอให้กลับไปฟังตั้งแต่เริ่มต้นมาก็แล้วกันมีอะไรเหรอลวทานกับทานกับภาวนาค่ะอ่าเป็นยังไงเหรอต่างกันยังไงอ๋อมันเป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือขั้นอนุบาลกับขัน้น มัธยมแล้วขั้นอุดมศึกษาทานนี้เป็นเหมือนกับการเริ่มต้นของการทําบุญขั้นขั้นที่หนึ่ง<ม>ทำทานแล้วก็จะทําให้เราเกิดความเมตตากราุณาทําให้เรารักษาศีลได้เมื่อเรารักษาศีลได้ใจของเราก็จะมีกําลังที่จะบาเพ็ญจิตภาวนาต่อไปเป็นการพัฒนาการปฏิบัติของเราเพื่อจะได้มากําจัดกิเลส ต, ตัณหา ที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราที่เป็นตัวที่ฉุดลากให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันจบวันสิ้นภาวนาก็เป็นเครื่องมือสูงสุดเป็นบุญขั้นสูงสุดทานก็เป็นเป็นเครื่องมือหรือเป็นบุญขั้นที่หนึ่งศรลก็เป็นเครื่องมือเป็นบุญขั้นที่สองภาวนาก็เป็นบุญเป็นเครื่องมือขั้นที่สาม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 อย่าปล่อยให้เขาทำตามอารมณ์เพราะอารมณ์มันจะสลับไปสลับมาบางทีก็ขยนันบางทีก็ขี้เกียจถ้าเราต้องการจะก้าวหน้าเราก็ต้องให้มันขยันอยู่ตลอดเวลาให้มันดูตลอดเวลาถ้าเราไม่ต้องทำภารกิจอย่างอื่นเราก็ให้มันดูอารมณ์ที่ถูกจริญกับเราให้อยู่กับดูกระดูกไปเรื่อยๆอ๋อ แ, แ, แล้วบางทีคือเวลา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 ถเป็นอเบกขามันจะเจ็บจะเมื่อยก็ต้องรู้สึกเฉยๆอ๋อวิธีการดูก็ประมาณนี้ใช่ไหมใช่<ๆ>เพื่อให้มันเป็นอ<ๆ>ุเบกขาถ้าอยากจะให้มันเป็นอุเบกขาเร็วและลึกก็ต้องนั่งเฉยๆหลับตาถ้ามีเวลาว่างก็นั่งหลับตานั่งขัดสมาธิแล้วก็จะเลิกถึงกระดูกก็ได้ดูกระดูกไปเรื่อยๆอย่าให้มันคิดอะไรแล้วมันก็จะพาเราเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาต่อไป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 ทุกกิรยาบทตั้งแต่เตืนจนหลับเลยมึถึงกระดูกไปเรื่อยๆเราอยู่กับกระดูกตลอดเวลานนมันใช่เสี ย, อยองอาจารั์ครับคำถามยกเป็นคุณนี้ครับอาจารย์เราวันนี้คาถามก็หมดพอดีเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี่ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต เพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ